สมณพราหมณ์เหล่านั้นะถือทิฐิอย่างนี้แล้วก็วิวาสกันความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นยึดถือจับต้องถือมั่นยึดมั่นซึ่งทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็วิวาทกันทําความ kan, ทะเลาะกันทําความหมายมั่นกันทําความแก่งแย่งกันทําความมุ่งร้ายกันและกันว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้นะเป็นต้นเนี่ย <ite> เพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือทิฐิอย่างนี้แล้วก็ทะเลาะกันถามว่าเพราะเหตุไร นะคําว่าเพราะเหตุไรก็คือเพราะกรณะปัจจัยนิทานสมุทัยชาติแดนเกิดอะไรคำว่าเพราะเหตุไรอะเพื่อสมณพราหมณ์เนี่ยจึงไม่กล่าวเป็นอย่างเดียวกันกล่าวอย่างต่างๆกันกล่าวอย่างกล่าวคําอื่นๆกล่าวพูดบอกแสดงแถลงมากอย่างเนี้ยเพราะอะไรน่าจะพูดเหมือนกันนะทำไมจะต้องไปพูดให้มันแตกต่างกันนะนะเหมือนกับสมัยนีย้บอกว่าเออเนี่ยทําไมทําไมความเห็นไม่เข้ากันได้อะน่าจะเข้ากันได้นะน่าจะคุยกันได้จริงๆได้ไหมล่ะ น่าจะคุยกันได้เพราะทุกคนทุกคนเข้าวัดเหมือนกันนะน่าจะหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันพูดคุยกันก็ได้ไม่ได้ไม่ยอมนั่นแนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าก็หมูสัตว์รู้ชัดสัจจะใดไม่พึงวิวาทกันสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีสองอย่างจริงๆแล้วตัวความจริงนะมีอยู่อย่างเดียวไม่ได้มีสองอย่างหรอก สมณะพราหมณ์เหล่านั้นอวดสัจจะต่างกันไปเองนะคาดเดากันไปเองนะเพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่กล่าวเป็นอย่างเดียวกันก็เหมือนกับถ้าเปรียบสมมตินะสมมุติว่าเกิดมาเนี่ยตาบอดหมดทุกคนเนี่ยเกิดมาตาบอดเหมือนกันหมดแล้วก็วันหนึ่งก็มาคุยกันว่าเอ๊สีขาวมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะสีขาวมันเป็นยังไงนะสีขาวก็มีอยู่แหละแต่ว่าคนตาบอดมาถกกันเนี่ย ไหนนะลงกันไหมไม่ลงปุ้ยยังไงก็คุยไม่เหมือนกันเลยขนาดตาดียังไม่เหมือนกันเลยนะคุยยังไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยก็อย่างสมมุตินะอย่างเรามาที่เนี้่ทุ่งจ้อเนี่ยตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่นะฟังคำว่าทุ่งจอกับมาเห็นเนี่ยคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ น, นะคนละเรื่องกันเลยเ <laughs> จินตนาการไว้อีกอย่างหนึ่งนะพอมาถึงก็อีกอย่างหนึ่งกันเลยไม่มีสมมุตินะเข้าเล่านะไอ้คนนี้เป็นอย่างงั้นยังงั้นยังงั้นยางงั้นนะ ไม่เหมือนหรกอกสมมติอย่างจางแกสอนเขาพูดถึงยมเล็กเนี่ยคุณมุนชูเนี่ยไปเห็นเนี่ยไอ้ตอนที่ฟังชื่อนะจินตนาการไปเห็นยิงๆคนละเรื่องเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพวกทิฏฐิทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละซึ่งความจริงมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าทุกคนมันเข้าใจผิดกันไปเองเพราะฉะเมื่อเข้าใจผิดไปเองเนี่ยก็เลยกล่าวไม่เหมือนกันซึ่งสมมุตินะเกิดมาเนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นนิพานกันทุกคนเลยไม่รู้นิพานเป็นยังไงไม่เคยเห็น ทีนี้เมื่อไม่เคยเห็นเนี่ยก็มาจินตนาการนิพานกันขึ้นโอ้นิพานมันเป็นอย่างนี้ไว้ไอ้พวกก็บอกนิพานมันเป็นอย่างนี้นะพวกนกึงมันเป็นอย่างนี้นี่ย น, นะคือไปค้นหานะคนวิธีการเพื่อจะบอกว่านิพานมันเป็นอย่างเงี้ยก็ทะเลาะกันอนะนะนิพานเนี่ยสิบสำนักก็สิบอย่างอะ่ะนะก็ทะเลาะกันแล้วคันนี่จริงๆแล้วนิพานจริ ง, รงๆมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น นะซึ่งพระองค์ตรัสต่อว่าสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีสองอย่างคือนิพพานเนี่ยคือความดับทุกข์นิพพานที่เป็นความดับทุกข์เนี่ยก็คือความสงบสังขารทั้งปวงนั่นนะความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสํารอกตัณหาความดับตัณหาความออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนี้เรียกว่าสัจจะอย่างเดียวนิพพานมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละนี่นะ นิพานจะไม่มีความต่างอะไรกันหรอกแต่ว่าไอ้ทิฏฐิมันไม่เหมือนกันไปเห็นนิพันถือว่าเลยถือนิพานคนละอย่างคนละอย่างแต่จริงจริงคนที่ทะเลาะกันเรื่องนิพานก็ไม่เคยเห็นนิพานกันทั้งคู่นั่นแหละนันะก็เหมือนคนไม่เคยเห็นสีขาวนะทะเลาะกันว่าสีขาวมันเป็นอย่างนี้สีขาวมันเป็นอย่างนั้นต้นตนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมัคสัตจะมัคสัตจะที่เป็นนิยานแสัตจะคือสัตจะที่นําออกจากทุกเนี่ยนะ นิยานะก็คือที่นําออกจากทุกเนี่ยได้แก่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรตมีองแปดอริยมรตมีองแปดคืออะไรก็คือความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสัมมาสังกัปปะเนคขมะสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าสัจจะอย่างเดียวมรตเนี่ยต้องเห็นอริยสัจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีเป็นอย่างอื่นนะอย่างตอนนี้นะอริยสัจของแต่ละข่ายไม่เหมือนกันแล้วนะชักยุ่งแล้วนะตอนนี้แม้กระทั่งอริยสัจเนี่ยก็คนละอย่างนิพพานยังคนละอย่างเลยเอ๋ะ ท่าน จ, จริงๆแล้วอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ชัดเจนว่านิพพานคืออะไรก็คือความดับทุกความสงบสังขารความสละคืนอุปธิความสิ้นตันหาความสารอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเครื่องร้อยรับเนี่ยคือพระนิพพานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ถาดดินถาดนา้ําถาดลมถาดไฟไม่ใช่สีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่ระวางโลกทั้งสองเนี่ยนะไม่ใช่อรูป ที่เป็นอากาสารัญจายตนะเป็นต้นนะตอนนี้ก็ถกกันเรื่องนี้ผานในสรุปจะเอาไงนะก็ถกกันแล้นะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยคือจริงๆอ่ะในานามทะเลาะกันในานามพระพุทธเจ้าแต่จริงๆอ่ะรัที่ตัวเองนะถือที่ทตัวเองแต่ว่าทะเลาะกันในานามพระพุทธศาสนาจริงไม่ใช่หรอกทีนี้มักก็เหมือนกันนะข้อปฏิบัติเนี่ยไปเหอะสิบวัดก็สิบข้อปฏิบัตินั่นแหละไปสิบแ่งก็สิข้อปฏิบัตินั่นแหละใช่ไหม แต่จริงๆข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนมีอย่างเดียวคือมรรคประกอบไปด้วยองแปดสัมมาทิฐิเห็นอริยสัจสัมมาสังกปะก็เนฆะขมมะสังกัปะเป็นต้นสัมมาวาจาก็เว้นจากวาจีทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่เป็นเครื่องว่าเป็นเครื่องวัดว่านี่คือมรรคมีองแปดเนี่ยนะทว่าโดยสรุปมรรคมีองแปกก็คือย่อออกมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าแสดงศีลไว้ในวินัยปิฎกแสดงสมาธิไว้ใน พระสุตันตปิบบกแสดงปัญญาโดยมากไว้ในอภิธรรมปิฎกยุคนี้ปฏิเสธพระไตรปิฎกถามว่าอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เลยปฏิเสธแม้กระทั่งมรรคแล้วนะถ้าปฏิเสธมรรคเนี่ยซึ่งมรรคที่จะทําให้พ้นทุกข์มีมรรคเดียวถ้าปฏิเสธแล้วคืออะไรถ้าปฏิเสธทางตรงก็ก็แสดงว่ายอมรับทางอ้อมถ้าปฏิเสธสัมมาทิฏฐิแสดงว่าคนนั้นเป็น มิชาทิถิถ้าปฏิเสธว่าการรู้อริยสัจเป็นความรู้ผิดเนี่ยนะการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเป็นการปฏิบัติผิดแสดงว่าเขากําลังปฏิบัติที่มันตรงกันข้ามกับที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นคําว่ามูสัตว์ใดจะรู้ชัดสัจจะใดที่ไม่วิวาทกันเนี่ยนะคือสัจจะที่จะทําให้ไม่ทะเลาะกันมีอย่างเดียวคือนิโรสัจจะหรือมรคสัจจะถ้าแทงตลอดนิโรสัจจะด้วยมรคสัจจะจะไม่ทะเลาะกันเคยเห็นพระโสดาบันทะเลาะกันไหม นในพระไตริฎกนะมีไหมไม่มีผ้าระยะจะไม่มีการทะเลาะ ก, กันนะไม่มีการทะเลาะ ก, กันในเรื่องข้อปฏิบัติเลยเนะี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ผู้ที่เจริญปฏิปทาญานทัศนวิสุธทธิเป็นต้นไปเนี่ยนะผ่านรู้ความเกิดโดยอาการยีสิบหรู้ความดับโดยอาการยี่สิ้าเหตุเกิดและความดับโดยอาการห้ิเนี่ยถ้าปฏิบัติข้ามตรงนั้นไปแล้วนะหลังจากนั้นจะไม่มีการทะเลาะ ก, กัน แม้แต่พระพระโสดาบานันพระสกาทาคามีพระอนาคามีเป็นต้นจะไม่มีการทะเลาะ ก, กันเพราะท่านเหล่านั้นมีข้อปฏิบัติเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าแนะนําแต่ทีนี้อย่างสมัยเนี่ยสมัยนี้เป็นสมัยที่เขาถือข้อปฏิบัติเนี่ยเขาบอกเขาได้ญาณเหล่านั้นอะแต่เขาปฏิเสธศีลอย่างไงเอามันจะเป็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนไนดะ้ยังไงเพราะสูตรอื่นๆนี่บอกเลยว่าถ้าเป็นพร ะ, ส, พระสาวกเนี่ยนะ ท่านจะไม่ล่วงละเมิดศีลแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะก็อย่างสมมุติว่าอ้าวคุณผู้ชมไปผ่านยานมาแล้วอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นเคยมีเจตนาคิดฆ่าไหมนั่นนะคิดอยู่ไม่เบาเลยนะไม่เบาแสดงว่ามันอันนั้นมันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าถ้ายานที่ถูกต้องบอกเจตนาแม้คิดฆ่าก็ไม่มีเจตนาที่เป็นเหตุทุศีนยังไม่มีเลยอย่างนั้นนะเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ที่ไปทํามันไม่ใช่อะ่ะ อันนี้ก็เป็นเครื่องวัดแบบง่ายๆนะเีเพราะฉะนั้นหมูสัตว์รู้สัตว์จะใดที่ไม่ว่าวิวาทกันเนี่ยนะาว่ า, วาสัตว์หมูสัตว์รู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ้ง ร, รู้ปรุโปร่งรู้ตลอดซึ่งสัตว์จะใดไม่พึงทำความทะเลาะกันไม่พึงทำความหมายไม่หมายมั่นกันไม่พึงทำความแก่งแย่งกันไม่พึงทำความวิวาทกันไม่พึงทาความมุ่งร้ายกัน คือละบันเท่าทำให้สิ้นไปทำให้ไม่มีซึ่งความทะเลาะกันความหมายมั่นกันความแก่งแย่งกันความวิวาดกันความมุ่งร้ายกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามูสัร์รู้ชัดสัจจะใดไม่วิวาทกันก็มีอย่างเดียวเท่านั้นนะนะสัจจะที่จะทำให้ไม่ทะเลาะกันก็คือแทงตลอดนิโรสัรจจะกับมัคสัจจะเนี่ยนะเพราะว่ามัคสัจจะต้องมีนิโรสัรจจะเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นนีโรคสัจจะแสดงว่าผู้นั้นดำรงอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ตรวจเช็คได้เนี่ยนะเพราะคําสอนสอนไว้ชัดเจนแต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอวดสัจจะต่างๆไปเองเ น, นะคือจริงๆแล้วสมณพราหมณ์ที่กล่าวไปเนี่ยนะมันถือเอาเองเนี่ยนะถือเอาความจริงของตัวเองความจริงเนี่ยนะมันแบ่งเป็นหนึ่งจริงโดยคําพูด พูดจริงอะนะเช่นพูดว่าเห็นว่าได้ยินเป็นต้นนี้เรียกว่าพูดจริงเรียกว่าวจีสัจจะอย่างที่สองก็คือสมมติสัจจะจริงเหสมมุติว่าพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็จริงใช่ไหมแต่จริงโดยสมมติโวหารทีนี้ถ้าจริงต่อไปก็คือจริงโดยอริยสัจเนี่ยนะจิตความจริงที่เป็นของพระอริยะอย่างหนึ่งแล้วก็ความจริงในความเห็นความจริงในความคิดอะนะก็คือคิดว่าจริงก็เหมือนฝัน อย่างสมมุติว่าอ้าวสมมุติให้ยกตัวอย่างหน่อยอาจเคสอนฝันว่าเห็นพี่ชายเข็นพ่อแล้วถามว่าฝันจริงไหมจริงแล้วสิ่งที่ฝันเนี่ยจริงไหมพ่าพ่อไปตั้งนานแลว้วเอาใครมาเข็นตอนเนี้ยไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ฝันเนี่ยฝันจริงทิฐิเนี่ยเขามีจริงล่ะแต่สิ่งที่ทิฐิคิดเนี่ยไม่จริง่นะนะฝันว่ารวยอย่างนี้นะฝันว่าถูกหวยนะโดยมากจริงๆแล้วถูกไหมล่ะ ไม่จริงไงแต่แต่เขาฝันเนี่ยฝันจริงอะนะนี่ก็เหมือนกันพวกทิ่ถเนี่ยจะเป็นแบบนั้นอะคือเขาถือกันไปเองอะนะเขาถือกันไปเองว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอะนะโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวกว่านนั้นสรีระกว่านนั้นชีพอันอื่นสริระกว่าอื่นสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกก็ไม่ใช่ไม่เป็นอีกก็ไม่ใช่อะนะสัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีเนี่ยนะทุกคนเนี่ยถ้าสิบรัฐที่ก็ถือกันคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเมื่อถือกันคนละอย่างเนี่ยทุกคนก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมั่นถ้าเปรียบเทียบแบบสมัยนี้นะเห็นชัดหนึ่งก็คือเหมือนกับพวกกีฬาโอลิมปิกนะที่ส่งจากประเทศต่างๆเนละแต่ละประเทศต้องถือว่าตัวเองในชนะใช่ไหมก็ไปถกกันนะก็ไปห้าหันกันนะถามว่าทุกประเทศที่คิดว่าชนะจริงๆแล้วชนะกันหมดไห ม, ไมก็ไม่หมดอ่ะนะ มัรทุกฝ่ายก็จะถือเป็นของตัวเองของตัวเองแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันจ้องมาเจอกันนะนะทีมนนท์มาเจอกับทีมนี้ทีมนี้ไปเจอกับทีมนั้นก็ก็สู้กันอะ่ะพวกรัที่แต่ละรัะที่เนี่ยนะมันก็เป็นตัวของตัวเองเมื่อเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ยอมไม่ยอมคนอื่นนะนะไม่ยอมคนอื่นซึ่งจะต่างจากการเมืองถ้าการเมืองเนี่ยถ้าถ้ามีความเห็นคล้ายๆกันก็จะเข้าพวกกันแต่พวกกีฬามันจะไม่เข้าพวกกันใช่ไหย ของใครก็ของใครนะเป็นเอกเทศเป็นของตัวรับที่ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฐิจะเป็นตัวของตัวเองเพราะทิฐิเนี่ยพอทิฏฐิเกิดแล้วมันดับไปนะมานะมันเกิดแทนนะนะมานะมันจะมาค้ำทิฏฐิเอาไว้ไม่มียอมใครไม่ยอมอยอเพราะเหตุนั้นก็คือคําว่าเพราะเหตุนั้นเพราะกรณะนั้นเหตุปัจจัยนิทานนั้นเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่กล่าวอย่างเดียวกันเพราะทุกคนเนี่ยเป็น ก็คือว่าชั้นก็หนึ่งอ่ะชั้นก็หนึ่งอ่ะนีนะนะก็คือกล่าวต่างกล่าวร้ายอย่างกล่าวคําอื่นๆกล่าวบอกพูดแสดงแถลงมากอยกก็เหมือนถ้าเป็นสายสายอินเดียนะเป็นสายถกกันเรื่องทิฐิว่าทิฐิใครจะประเสริฐที่สุดทุกคนก็จะถือทิฐิเป็นของตัวของตัวแต่ถ้าสายจีนโบราณเนี่ยสมมตินะถ้าดูตามหนังก็คือทุกคนก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นยอดจอมยุทธใช่ไหมยอดจอมยุทธก็มาชิงกันมาฆ่ากันนะะว่าใครเนี่ยจะเป็นเป็นหนึ่ง ใครเนี่ยจะเป็นยอดอะนะทุกคนจะไม่มีการยอมกันต่อเมื่อประกันแล้วใครแพ้ใครชนะเนี่ยใครชนะก็ต่อไปเนี่ยนะก็ลุยไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะได้เรียกว่ายอดจอมยุทธเนี่ยพวะไอท้ทิทิที่อินเดียก็ลักษณะเดียวกันทุกคนจะยึดถือแกงแย่งวัดของฉันเนี่ยจริงของแกงไม่ใช่เหรอนะสรุปว่ามูสัตว์รู้สัจจะใดไม่วิวาทการสัรจจะนั้นอะมีอย่างเดียวเท่านั้นคือมรรคสัตว์ที่แทงตลอดนิโรธสัจจะอันนั้นอย่างเดียวเท่านั้นอะที่ไม่ทําให้ทะเลาะกัน แต่ว่าความจริงอันนั้นไม่ได้มีสองอย่างนะมักก็ต้องประกอบด้วยองแปดแล้วต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ความจริงมีอยู่เท่านั้นแหละสัจจะที่แท้จริงที่ทําให้เป็นภระริยะนะแต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอวดกันไปเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่กล่าวอย่างเดียวกันทีนี้พระพุทธเดรรมิตรก็ถามต่อไปว่าเพราะเหตุไรหนอสมณพราหมณ์จึงกล่าวสัวจจะไปต่างๆอะไรทาไมพูดให้มันต่างไปละ่ะ เพราะคือทุกคนก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดกล่าวยืนยันสัจจ ะ, ละหลายอย่างก็สัจจะที่พวกสมณะพราหมณ์ฟังมาแล้วเนี่ยเป็นสัจจะมากอย่างต่างๆกันหรือสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยย่อมตรึกระลึกเอาเองคือที่เขาคิดต่างๆกันเนี่ยเพราะเขาฟังมาใช่ไหมเพราะเขามีอาจารย์ที่แตกต่างกันหรือว่าเขาเพราะเขาคิดมาต่างกัน